ก็ขอมโนธานากับพวกเราตั้งใจศึกษาพระธรรมกันวันนี้ก็คือจะศึกษาเรื่องของคําว่าการปฏิบัติธรรมปฏิปิเยอหนังสือเรื่องหนึง่งก็เขียนแล้วก็ทําให้นึกถึงศพนึกถึงความหมายอะไรมากมาย อ, อย่างพวกเรามาบวชกันเนี่ยก็เรียกมาปฏิบัติธรรมกัใช่ไหม ที่พอคำว่าปฏิบัติธรรมเราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยพอพูดคำว่าไปปฏิบัติธรรมปุ๊บมันก็ถูกจากัดให้แคบลงไปแล้วก็เลยมองว่าการปฏิบัติธรรมนั้นน่มันอยู่ในวงการจากัดบางทีเราก็จะเห็นคำว่าสำนักปฏิบัติธรรมกับคำว่าวัดธรรมดาหรืออย่างว่าสวนป่าปฏิบัติธรรมกับ ในวัดยังไงเนี่ยแล้วมันต่างกันยังไงพราว่าปฏิบัติเออตรงนี้ที่ถามเนี่ยนะที่ถามทั้งหมดก็อยากให้พวกเราได้ได้สังเคราะห์แลว้ววิคิดเนี่ยที่คำว่าปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติศัพท์เนี่ยในความหมายเลยนะเหมือนการประพฤติหรือกระทาบำรุงเลี้ยงดูเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติเหมือนเลยนะ ซึ่งอีกคำความหมายหนึ่งก็คือคําว่าปฏิปทาก็แปลว่าทางดําเนินความประพฤติแล้วก็ข้อปฏิบัตินั้นปฏิปทามันก็เลยมีการปฏิบัติของท่านผู้ได้บรรลุทำพิเศษก็มี4ประเภทนั้นกันนีอย่างเช่นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลําบากรู้ได้ช้าอย่างหนึ่งทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติยากแต่รู้ได้เร็วนั้นอย่างหนึ่ง สุขาปฏิบัตาทันธาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านั่นอย่างหนึ่งสุขขาปฏิบัติธาขิ ป, ปาพิญญาปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นอย่างหนึ่งนั้นปฏิบัตากับปฏิบัติก็เลยกลายเป็นคําเดียวกันคําเดียวกันครับปฏิบัตากับปฏิบัติเนี่ยเออดการเข้าใจในเรื่องเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ขยายนะอันนั้นเป็นพระสูตรทีท่ท่านแสดงกัาไว้ พอเรามีมามานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้คำว่าปฏิบัติธรรมนั่ น, น, นก็คือเอาธรรมะมาปฏิบัติใช่ไหมคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาธรรมะมาใช้เอามาใช้ดำเนินชีวิตในการทาการทำงานเนี่ยก็คือเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงเออตรงตรงหลักคือตรงนี้แหละ เมื่อปฏิบัติธรรมก็หมายถึงว่าเอาธรรมะมาใช้ได้จริงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตถ้ายังไม่ได้ใช้ก็เรียกว่าก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติทีนี้ไอตัวคําว่าปฏิบัติเนี่ยเดิมมันเดิมทีเนี่ยในในหนังสือเล่มนี้เขียนว่าแปลว่าเดินทางปฏิบัติเนี่ยก็แปลว่าเดินทางมาจากภาษาบาลี ที่คำคล้ายเมื่อสักครู่กันเมื่อสักครู่ก็พูดถึงเรื่องคำว่าปฏิบัทาปฏิบัทาก็จะเห็นในคำว่าถ้ามีคำว่ามัชชิมาปฏิบัทาก็แปลว่าทางสายกลางมัชชิมาก็แปลว่ากลางใช่ไหมปฏิบัทาก็แปลว่าทางไปเลยที่จริงแปลว่าปฏิบัติก็ได้นะทางทางสายกลางปฏิบัทาก็แปลว่าทางทางคืออะไรทางก็คือ ที่ที่จะเดินคําว่าปฏิบัตาก็คือที่ที่จะเดินเนี่ยนั้นคำว่าปฏิบัติกับคาว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นคําเดียวกันรากศัพท์ก็มาจากคาว่าเป็นกริยาที่มาจากคาว่าปฏิปัชิปฏิปัติติเนี่ยเช่นในคําว่ามักคังปฏิปัชิติก็แปลาว่าเดินทางนี่นะนั้นปฏิปัตชสติก็มาเป็นปฏิบัติหรือเป็นปฏิบัติก็ตามก็เลยแปลว่าการเดินทางหรือแปลว่าทางที่เดินถ้าเป็น การเดินทางที่ยอมใช้ในเรื่องในใช้ในรูปก็แปลว่าปฏิปติหรือไทยใช้ว่าปฏิบัติถ้าเป็นทางที่ดำเนินก็นิยมเรียกว่าปฏิบัติาเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาระยกในทางนามธรรมาเอามาใช้ในเรื่องของจากรูปธรรมก็มาใช้ในเรื่องของนามธรรมานั้นการเดินทางปกตินะ่ะเป็นการเดินทางภายนอกเป็นการเดินทางทางด้านวัตถุ เช่นเอาเท้าแล้วก็เดินไปตามที่ต่างๆนั่งรถแล้วก็ไปเพื่อจุดหมายต่างๆนั่งเรือนั่งเครื่องบินทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นเนี่ยเป็นการเดินทางทีนี้ชีวิตของเราเหมือนกันชีวิตในการเดินทางอย่างหนึ่ง mm hmm. พอเ อ, เอาเรื่องของรูปธรรมมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของนามธรรม mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติก็เลยมาเรียกเป็นการดำเนินชีวิตปฏิบัติเนี่ยยังเป็นคำกลางๆนะ ไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตจะเรียกว่าดีหรือไม่ดียังไม่พูดก่อนเ็าเรียกปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทีนี้เราเอาชีวิตเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยไปเดินทางหรือว่าการเป็นอยู่ของเรานั้นเปรียบเหมือนการเดินทางถ้าเดินทางถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอนีนก็เป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกบ้างการดาเนินชีวิตที่ถูกบ้างที่มองมาใช้กันไปใช้กันมาก็เลยเรียกว่าปฏิบัติ ปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็ไปไปมาก็เลยเรียกว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมคนนี้ไม่ปฏิบัติธรรมแตเข้าแต่เข้าแยกกันไปแยกกันมาจนถึงก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ปฏิบัติธรรมหรอกส่วคนนั้นไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเฮ้ยไปไมาก็เลยมองกันแค่เปลือกนอกๆว่าไอ้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็คือว่าใครไปอยู่วัดเรียกว่าปฏิบัติธรรมใครไม่ได้อยู่วัดก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติธรรม ถ้าอยู่บ้านไม่รักษาศีลถ้าอยู่วัดถึงจะรักษาศีลไปๆมาๆคนอยู่วัดต้องมีศีลคนอยู่วัดต้องปฏิบัติธรรมไม่รู้ปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติยังไงไม่ทราบแต่พอไปอยู่วัดแล้วโอเคแล้วเอาละท่นมาอยู่วัดแล้วมาใส่ชุดขาวแล้วออก็เลยเรียกว่าเอาเป็นการปฏิบัติไปในตัวเลยแต่จริงๆปฏิบัติหรือเปล่าไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยเอาเป็นการดําเนินชีวิตไปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียก ปฏิบัติก็แล้วการเดินทางหรือทางที่เดินทีนี้การปฏิบัติธรรมก็คือเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตหรือเอามาช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องหรือมาช่วยในการดําเนินชีวิตให้ถูกทางให้ถูกวิธีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็หมายความว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้การเดินทางชีวิตของเราก็ผิดเขวหรือพลาดพลาดอาจจะหลงอาจจะเป็นไปในทางที่เกิดความเสื่อมความพินาศแทนที่จะเป็น ทางแห่งความสุขความเจริญเราก็เลยเอาธรรมะมาช่วยเอามาเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะมาช่วยให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์พูดง่ายๆก็คือการปฏิบัติธรรมก็เลยกลายเป็นว่าเอาธรรมะมาใช้นั่นเองให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราพอจะมองเห็นได้ยังตรงเนี้ยจะมองมองเห็นตรงนี้ชัดๆขึ้นมาก็เลยบอกว่า เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอ่ะจึงเป็นเรื่องกว้างๆไม่เฉพาะที่จะปีกตัวเองออกจากสังคมไปอยู่วัดอาจจะมองในแง่นี้นะเยอะ ไ, ไปมาหลายๆคนก็จะรมองว่าเออถ้ า, างั้นอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดก็ไม่จําเป็นทุกคนก็ปฏิบัติธรรมได้ไปคิดอย่างนี้อย่างนี้ถูกไม่ถูกคิดอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกการปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็ปฏิบัติถูกไหม การิบัติธรไม่เห็นจำเป็นต้องบวชเลยเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้ถูกหรือไม่ถูกถูกไหมเนี่ยเออไม่มีประโยชน์นี่เป็นฆราวาสก็ปฏิบัติทํามได้ไอ้ตรงนี้คิดแบบเนี้ยมันมีส่วนถูกและส่วนผิดไห ม, มแล้วจริงๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอคิดอย่างเงี้ยคิดเพื่อข้าวข้างตัวเองก็เลยสึกออกไปพอสึกออกไปจริงๆได้ปฏิบัติไหมเนี่ย เนี่ยที่กันเนนก็คุยกันตรงนี้แหละจะไปมาเอก อ, อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัตนะิได้ก็ไปเห็นต่างอะไรกันอยู่วัดก็หลับนอนไม่หลับอยู่บ้านก็นอนไม่หลับไม่มีความต่างดังนั้นอ่ะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวทาความเข้าใจไปเรื่อยเนี่ก็คือว่าถ้าเราเมื่อทํางานหรือทําหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องตั้งใจทําให้ดีทําให้เกิดประโยชน์สาเร็จตามความมุ่งหมายได้ ถ้ามองอย่าพื้นฐานกว้างๆอย่างนี้ก็เลยเรียกมาเป็นการปฏิบัติธรรมไปเลยนีถ้าตอนมีหน้าที่ศึกษาเราเรียนเรียนทำโอ้ในมอมไปเรียนทุกวันนะตั้งใจเรียนในขณะที่เรียนก็มีทั้งฉันท ะ, ะมีความมีจิตใจรักมีความรักอย่างแรงกล้านีมีวิริยะแกกล้าเพียรบากบากัตร มีจิตตะจดจ่อในในงานในในใ น, ในการเรียนมีมีวังษาสอบสวนตรวจสอบวิจัยอย่อะแยะเอออย่างนี้การไปนั่งเรียนเรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมเรียกไม่เรียกแต่ในขณะเดียวกันไปนั่งเรียนก็หา ว, ว่าเบื่อหน่ายเส้นเบื่อทุกเครียดจิตท้อถอยฟุ้งซ่าน ไม่วิจัยแยกแยะอะไรแล้วนั่งเพลินเพลินนี่มันผ่านไปอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมเรียกไม่เรียกก็ไม่เรียกว่าปฏิบททัติธรรมเออสรุปแล้วเออการเรียนเป็นการปฏิบัติธรรมก็ได้การเรียนเป็นการไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้ใช่ไหม เ, ออเดินไปวินธบาทไม่ได้มีใจรักอะไรหรอกไปเพราะหน้าที่งนเบื่อเลยเซงหนึ่ ง, งไม่อยากจะลุกเลยว่างั้นจะ เกียจค้านด้วยกับผืนไปเฮอ้ฮอเอๆไปเรื่อยๆตามทางเนยนะจิตก็ไม่ได้จดจอ่อฟุ้งซ่านกินปัญญาก็ไม่ได้สอบสวนอะไรดําเนินไปอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านบ้างหงุดงิดบ้างไปเวลาบาดเจอหน้าโยมก็เซ็งเบือ่อบางทีก็ให้รอทั้งนานบ้างทีโยมก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกเครียดกินกลับมาอีกอ่ะอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมเรียกไหม ไม่เรียกอีกเออทั้งทั้งที่มาบวชไปบินฑบาตก็ไม่เรียกปฏิบัติธรรมเอาไปสวดมนต์ต่นี้เนี่ยเขาไปก็สวดอย่แต่จิตมันไม่สงบอิติพิโสภควาอารหังสัมมาสวดแต่ปากแต่ใจมันไม่ไปเลยแต่คล่องหมดปากได้ไ ด, ได้ได้คล่องหมแล้ววิชาจรนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเนียน่ยสวดสวดสวดไปแต่ใจมันเครียดกุ้งห้างเท้าบงสวดไปบ้างอันนี้เรียกวิบัติธรรม เรียกไหมเอาม่เรียกหรือเอามากวาดพื้นกวาดว้ากวาดว่เหงื่อออกพักๆๆแล้วเหื่อยใจเครียดเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จเท่าที่เนี่ยเอออย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติทำไหมเนี่ยเพราะไม่ได้เอาอะไรมาใช้ไม่ได้เอาธรรมะใช่ไหมไม่ได้เอาธรรมะ ม, มีฉันทาวิริยะจิตตปัญญาเป็นต้นมาใช้ ไม่ได้ให้เกิดศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความเพียรไม่เกิดสติไม่ได้เกิดขึ้นสมาธิและปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่ทํากิจกรรมชีวิตอย่างนั้นเนี่ยลักษณะอนี้เขาเรียกไม่ได้ปฏิบาททาัติธรรมโอ้เนี่ยไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบททัติธรรมเดี๋ยวไปเข้ากรรมฐานดีกว่าพอเขาไปเข้าอยู่ที่นั่นก็อ้าวแล้วปลีกจะพวกคนอ๋อเขาอย่างชื่อสบายใจนิดนึง แต่ไปไปมาก็เอาอีกแล้วไอก้กิเลสก็ก้มรวมอีกมีติดใจไฝกระสานบ้างหงุดหงิดมดบ้างหงุดหงิดนั่นบ้างเนี่ยนะแล้วก็หดหูทอถอยจิตใจก็ไม่ค่อยดีเพราะง้เดอ๋พงสานลำคาญใจอีกลังเล ส, สงสยัยเมื่อไรจะออกภาษาสัทีเอออย่างนี้ปฏิบัติธรรมไปอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยการปฏิบัติธรรมดาเนิน อาไม่ดําเนินไปอีกเห็นไหมว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปประธรรมกับปฏิบัติธรรมที่เป็นนามธรรมหลักการจริงจรที่เอมาใช้คําว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมนะก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องนี้เขาเขียนไว้ดีก็ว่าการปฏิบัติที่คู่กับศึกษาเนี่ยเวลามาใช้เป็นการปฏิบัติยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ระกาการเป็นระดับขึหมายความว่าเออการศึกษามาแยกในประเทศไทยแล้วอย่างเช่นว่าเน้น บอมไปศึกษาพระพิธรร ม, มเน้นบอมไปศึกษาพระพิธรรมเออตอนนี้ยังไม่ปฏิบัติก่อนขอศึกษาก่อนใช่ไหมคิดอย่างนั้นตลอดใช่มคิดหรือไม่คิด อ, อตอนนี้เรามานั่งเนี่ยนั่งกำลังนั่งฟังธรรมะนี่ตอนนี้เรียกว่าศึกษาแต่ไม่เรียกว่าปฏิบัติเร า, าแยกกันอย่างนี้ใช่ไมโดยส่วนใหญ่ เนี่ยตอนนี้เรากำลังนั่งศึกษานั่งฟังธรรมะไม่เรียกว่าปฏิบัติจริงไม่จริงทีนี้ในะขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยเราจิตเราเกิดว้าวุ่นฟุง้งซ่านลังเลสงสยัยเครียดบ้างก้มบ้างกําหนัดบ้างขัดเคืองบ้างห้งเหงาเศร้าซึมบ้างฟุ้งซ่านลำคาญบ้างลังเลสงสัยบ้างเกิดขึ้น ไม่อยากจะทํำงอยเงาเศร้าซึมในขณะที่นั่งฟังอยู่นี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมไม่เรียกอีกอถ้าเรียกปฏิบัติธรรมต้องเป็นยังไงอูมีศรัทธาเชื่อมัน่นมีความเพียรกระจัดกิเลสไม่ให้ไม่ให้ความงวยเงาเศร้าซึมมันเข้าจุดใจมีสติกํากับอยู่คอยฟังเป็นไปตามลําดับมีสมาธิจดจ่อในการฟังมีปัญญาวิจัยแยกแยะเอ้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมดำเนินนี่เห็นไหนเนี่ยการที่ที่นี่เรามาแยกกันดีสิ คำว่าศึกษาในเมืองไทยนํามาใช้คู่กับการปฏิบัติศึกษาก็หมายถึงเล่าเรียนเราไปเข้าใจอย่างนั้นการศึกษาคือการเล่าเรียนยังไม่ได้ทําเข้าใจว่าการศึกษาก็คือยังไม่ได้ทําเพียงเล่าเรียนเมื่อปฏิบัติคือเอาสิ่งที่ศึกษานี่ยมาลงมือทําความเข้าใจอย่างนีน้มันก็ไม่ถูกต้องอีกที่ไม่ถูกต้องก็เพราะอะไรจริงๆแล้วคําว่าศึกษาเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่คู่กับปฏิบัติ ต้องแยกนะก็หมายถึงอะไรแต่ในสังคมไทยในปัจจุบันเราศึกษามาคู่กับคาว่าปฏิบัติเออไปไปมามันก็เพี้ยนเลยทีเนี้ยทีนี้คำที่คู่กับปฏิบัติเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยนะก็คือเป็นเพียงความรู้ที่เราเรียนรับฟังมามีศัพท์เฉพาะอยู่ต่างหากเขาเรียกปริยัติปริยัต คำที่คู่กับปฏิบัติก็คือปริยัตปริยัตก็คือการเล่าเรียนเล่าเรียนมาแล้วก็มาปฏิบัติก็มาลงมือทําแต่ทําไมการศึกษาจึงกลายไปไปมามาจึงได้แค่การเล่าเรียนใช่ไหมเราเราคิดว่าการศึกษากับการเล่าเรียนเนี่ยเป็นคําเดียวกันจริงไม่จริงศึกขาภาษาบาลีแล้วก็มาเป็นศึกษาภาษาไทยใช่ไหมเรามาเขียนเป็นศึกษาศึกษาเดิมเนี่ย นี่ความหมายกว้างคําว่าศึกษานี่เนีเริ่มตั้งแต่เรียนรู้ไปจนถึงการฝึกขัดลงมือปฏิบัติเนี่ยศึกษาคําว่าสิทติเนี่ยคำว่าศึกษาเนี่ยเป็นการฝึกตั้งแต่เรียนเลยว่างั้นเถอะตั้งแต่เรียนไปจนถึงการฝึกขัดลงมือปฏิบัติทีนี้ป <anal> ฏ <yt ication> ิบัตินี่ในแง่หนึ่งก็คือการฝึกขัดเพื่อทําให้เป็นและทั้งหมดน่ะตลอดถึงกระบวนการก็เรียกว่าการศึกษาหมดเลย นะตั้งแต่ฟังแล้วเอามาลงมือทดสอบมาฝึกฝนพัฒนาทําให้เกิดทําให้มีขึ้นทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่าคำศึกษาหมดเล ย, เยหลังๆในการศึกษาเน้นในการเรียนหนังสือหรือเรียนคำพีมากไปไ ป, ไ ป, ไปมาก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยแคบไปแคบมาก็เลยกลายเป็นว่าศึกษาก็เยู่แค่ปริยัติแท้จริงเนี่ยถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องก็คือปริยัติกับ คู่กับปฏิบัติแต่ศึกษาเนี่ยไม่ใช่คู่กับปฏิบัติศึกษากับปฏิบัติกกลายเป็นอันเดียวกันใช่ไหมข้อฝึกเนี่ยศึกษามีได้ข้อฝึกเรื่องความหมายของศึกษาเดี๋ยวดูจะเช็เฉพาะตรงที่เนี่ยนนะพี่หนังสือที่เขาท่านเขียนมาเนี่ยบอกว่ากระบวนการการศึกษาสิกขาเนี่ย ในความหมายของคําว่าสิกขาดูในพเจ้านุพพานิดนึงนี่ยสิกขาสิกขีนี่จะมีคําว่าสิกขาบทก็มีสิกาขาคารวตาเป็นต้นก็มีนะสิกขาบทก็แปลข้อที่ต้องศึกษาก็คือศีลหรือวิในเนี่ยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสิกขาเนี่ยสิกขาในที่นี้ก็กลายเป็นมีอยู่3ามอย่างเลยนะ การศึกษาการสำเนีจอการเรียนการฝึกฝนปฏิบัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจการฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตนหรือทําให้เป็นตลอดจนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงทั้งให้สมบูรณ์นี่เป็นศึกษาหมดเลยใช่ไหมสิกขาสิกขาเนี่ยหรือการศึกษาเนี่ยแปลว่าการสำเนีจออย่างเช่นะเนี่ย ในอาณาปานสติมันจะมีคําว่าสิกขิที่บอกว่าสําเนียกเลยนะตรงนี้แปลว่าสําเนียกก็ได้แปลว่าศึกษาก็ได้นี่แปลไปแปลมาคําว่าศึกษาก็ดีการศึกษาข้อศึกษาก็ดีการสําเนียกก็ดีก็ยังไม่เขา้ารู้การเรียนก็ได้การฝึกฝนปฏิบัติก็ได้การเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจหรือการฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นให้มีขึ้นในตน หรือทําได้เขาเรียกว่าให้ทาให้เีวเราาเรียกว่าหรือให้ทาได้ทําเป็นตลอดถึงแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์หรือข้อที่ต้องศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับฝึกฝนอบรมพัฒนาบุคคลเรียกว่าศึกษาหมดเลยมองเห็นว่าศึกษานี่กว้างไหมชัดเลยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ไปจนถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอน เรียกว่าศึกษาหมดเลยมจทีนี้พอรู้อย่างนี้ปุ Bilder ๊บนศึกขาก็คือศีลอันยิ่งอธิศีลอันเป็นข้อที่ต้องศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อการศึกเพื่อการฝึกอบรมศีลอย่างสูงนะไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลปาทิโมกสังวรศีลที่เป็นอธิศีลศีล5ศีลแปดศีลสิบ ฤศีนสิบเจ็ของพระภิกษุหรือของภิกษุณีเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ก็คือการรักษาด้วยความเข้าใจให้เป็นเครื่องหนุนนําออกจากวัตฏะก็เลยกลายเป็นอาทิศีนไปแต่ถ้าไม่รักษาไม่เจริญไม่ฝึกเพื่อให้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้ออกจากวตัตฏะก็ไม่เรียกว่าอาทิศีลสิกขา <c oughs> ส่วนอาทิต จ, จิตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอาทิ จ, จิตเนี่ยอันเป็นข้อที่จะต้องศึกษาข้อปฏิบัติ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตให้มีสมาธิเป็นต้นอย่างสูงก็หมายความว่าเป็นกุศลและจิตทั้งหลายจนถึงสมาบัติทั้ง8สมาบัติทั้ง8ก็มีทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุติฌานและอรูปฌานอีก4 <c> ีฌ <oughs> านสมาบัติที่เป็นบาตแห่งวิปัสสนาเนี่ยเป็นอธิจิตแต่ถ้าฌานสมาบัติที่ไม่เป็นบาตของการเดินวิปัสสนาญาณอันนั้นไม่เรียกว่าอธิจิต ไม่ใช่จิตอันยิ่งไม่ใช่เป็นการศึกษาอันยิ่ง <c oughs> นี่นะทีนี้สมาบัติทั้ง8มีรูปฌานสรูปฌาน4ี่นี่แหละถ้าข้อปฏิบัติเนี่ยนะถ้าปฏิบัติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจมุ่งให้เป็นเครื่องหนุนออกจากวัตะนี่เป็นอธิจิตถ้าไม่เป็นเครื่องหนุนในการที่จะออกจากวัตะก็ไม่เรียกว่าอธิจิตประการที่สก็คืออธิปัญญาสิกขา สิกขา <c oughs> ปัญญายิ่งอธิปัญญาเนี้เป็นข้อที่จะต้องศึกษาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาปัญญาอย่างสูงเป็นความรู้ความเข้าใจหลักเหตุผลถูกต้องอย่างสามัญอันเป็นเริ่มตั้งแต่สามัญเลยนะตั้งแต่กรรมสกตายานก็คือความรู้จากว่าทุกคนเป็นเจ้าของแห่งกรรมของตนพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงปัญญาที่เป็นวิปัสนาปัญญาที่กาหนดรู้ความจริงแห่งไตรลักษ คืออั น, นิจ้จังทุกขังอนาัตตนี่นะอันนั้นเป็นอธิปัญญาสิกขาแต่โดยในอย่างเบาๆนี่นะแบบเผาๆลงมาก็คือกรรมสกตาปัญญานี่แหละที่โยงไปให้มองเห็นทุกที่เนื่องเดวตะหรือแม้กระทั่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ระลึกถึงคุณของศีลคุณของทานทั้งหลายเป็นต้น การรู้การเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหตัวนี้ตามความเป็นจริงเป็นต้นอะไรนี้เป็นปัจจัยอะไรหนุนเพื่อให้ก้าวไปในมัค ก, ก้าวไปในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปกปริเตอร์อะไรนี้ก้าวไปในสัมมาวจาสัมมากรรมตตาสัมมาชีวสัมมาอยาสมาสัมมาสติสัมมาสมาธิไอตัวปัญญาให้สังเกตตัวนี้ว่าต้องหนุนหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะสามารถทําให้ดําเนินไปตามมรรคาของพาารวิชชาชาได้ถูกต้อง เช่นดําเนินไปตามทําพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้ถูกต้องดีงามถ้าปัญญาไม่มาหนุนหรือมาเป็นตัวนำมันไม่มาเกื้อกูลแล้วพฤติกรรมก็จะผิดาพาดหรือสภาพจิตใจที่เป็นไปกระทั้งคุณภาพสมรรถภาพทางด้านความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยก็ต้องมีปัญญาเนี่ยนะมันหนุนเนื่องในการที่เป็นปัจจัยต่อการนําออกจากวัตะเหมือนกันการพัฒนาพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพที่เป็นด้านศีลก็ต้องเป็นปัจจัยที่ในการที่หนุนออกจากวัตะ แม้พัฒนาปัญญาเองก็ไม่ใช่อยู่เพียงแค่กรรมสกตาสมาธิฏิปัญญาที่ไปฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมไม่ใช่แค่นั้นต้องพัฒนาไปสุู่ไตรลักษณ์นะเห็นความจริงของกระแสชีวิตด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วจากไตรลักษณ์ก็ทายถอนกิเลสได้ด้วยนะ่ายถอนราคะโทสะโมหะหรืออนุสัยแยกกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกระแสชีวิตนํากระแสชีวิตเข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพแล้วก็นําออกจากสังสารวัฏได้จริงเออทีนี้ไอ้ปัญญาก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหม เป็นอธิปัญญาศิกขามองเห็นได้ยังว่าไตรศิกขาก็คือเรียกอย่างย่อยๆก็คือศีลสมาธิปัญญามองเห็นได้ยังเป็นเป็นข้อที่ต้องศึกษาไหมสามอย่างเนี่ยอันนี้อะไรก็ศิกขาการศึกษาก็ได้การสําเนียกก็ได้การเรียนการฝึกฝนปฏิบัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจการฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตนหรือทําให้ดี ทำให้ได้ทําให้เป็นตลอดถึงแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์ที่สุดเ น, นี่ยข้อต้องศึกษาที่จะต้องศึกษาจะ ต, าต้องปฏิบัติสําหรับฝึกขัดอบรมพัฒนาบุคคลก็มี3ส่วนก็คือด้านอธิศีลปศิขาอธิจิตศิกขาที่ปัญญาศิกข า, อ, ก า, อ, กาอันนี้เป็นเนีย่ยถ้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าศิกขาหรือศึกษาศึกษากับการปฏิบัติก็เลยกลายเป็นอันเดียวกันไหมเป็นอย่างเดียวกันไหมเป็นไม่เป็น สมเด็จเป็นไหมเป็นแล้วนะแต่เนี่ยนะการปฏิบัติทำการศึกษาเนี่ยเออตรงนี้ในที่นี้ท่านกระบวนการศึกษานี่นะรวมเบ็ดเสร็จหมดเลยนะเรียนรู้การฝึกการทําให้เป็นแต่ในสมัยรัชกาลที่5นน้าแต่นี้ท่านยกตัวอย่างตอนที่เริ่มมีแผนการศึกษาศึกษาแผนปัจจุบันแผนใหม่เนี่ยได้มีการหลงแล้วก็เพี้ยนไปในความหมายของการศึกษาจนกระทั่ง มาในยุค ข, ของพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิลายานวโรรสต้องเขียนชี้แจงบอกว่าการศึกษานั้นไม่ใช่หมายถึงการเล่าเรียนตำราเท่านั้นท่านเขียนแล้วนะแต่หมายถึงการสําเนียกทําให้เป็นในอาชีพนั้นๆในเรื่องนั้นๆั้นแต่ท่านก็บอกแม้แต่เด็กอยู่กับบ้านเรียนรู้แล้วก็หัดทํางานทําไร่ไถนาก็เรียกว่าการศึกษาทั้งสิ้น สองเขียนในทวายในทำนองอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าสองเห็นแล้วในยกนั้นว่าเออมันเริ่มเพียนแหการศึกษาเนี่ยเริ่มเพียนไปอะไรเน้นไปทําอะไรไปศึกษาอะไรไปศึกษาอภิธรรมก็คือไปเรียนรู้อภิธรรม เ, เรียนรู้อภิธรรมแล้วได้ศึกษาจริงหรือเปล่าก็แปลว่าได้สําเนีจอไหมสําเนียกเป็นชื่อของอะไรคำว่าสําเนียก สัมเนียกเนี่ยเข้าใจคำนี้สิทตินยสัมเนียกคือการกฝา <g <noss> <g <Overall> การึกฝนพัฒนาการฝึกผลพัฒนาก็คือนําสิ่งที่เรียนเนี่ยเอามาใช้เอามาฝึกฝึกที่ไหนอ่ะฝึกกายไหม <t> ไปเรียนที่ไปเรียนทั้งหมดไปเรียนเรื่องศีลไหมใช่ไหมที่เรียนเรียนเรื่องศีลหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือเรียนเรื่องสมาธิหรือเรียนเรื่องปัญญา เรียนเรื่องอะไรก็เรียนเรื่องจิตนี่แหละและ้ศีลมันเกิดที่ไหนสมาธิเกิดที่ไหนปัญญาเกิดที่ไหนเอาก็เรียนเรื่องจิตเจ็สิก็ไปเรียนเรื่องศีลเรื่องเรื่องสมาธิธรรมนี่แหละแล้วได้ไปแยกแยะ2 ส, ส่วนใช่ไหมไอ้ส่วนไหนที่เป็นโลภะทิฏฐิมานะส่วนไหนที่เป็นโมหะหินิกาเนตุปาอุทะจะส่วนไหนที่เป็น โทสะอิสามชัชยกุกุจ่าส่วนไหนที่เป็นถีนมิท่าส่วนไหนที่เป็นวิจิกิจฉานี่เป็นอกุศลเจตสิกส่วนไหนที่เป็นศรัทธาสติหิริอัตตา อ, อตารมภาพโทสะตัตธรรมเชตตากายปัสสติจิตตปัสสติเป็นต้นอันนี้ส่วนกุศลโ ส, นสนพนาเจตสิกใช่ไหมส่วนไหนที่เป็นภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตีมนสิการวิตกวิจารณอธิโมกขวิยาปิติฉันทะส่วนนี้เป็นอะไรอัญญสานะ เจตสิกก็แปลว่าอะไรเจตสิกที่เข้าได้กับสองพวกเข้าฝ่ายบุญก็ได้เฝ้าเข้าฝ่ายบาปก็ได้เข้าฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายที่ไม่ดีก็ได้เออตรงนี้สําคัญไหมถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่เป็นนกสองหัวเนี่ยเราจะมาเกือ้อกูลบุญหรือมาเกือ้อกูลบาปอา่าววิตกเห็นดีไหมดีหรือไม่ดีเ อ, อ่เป็นการมาวิตกพยาบาทวิตกผูหญิงสาวิตกเออต้องศึกษาเขาไหมต้องเรียนรู้เนี่ย แล้วต้องเมื่อเรียนรู้บียเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารู้การมัวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเมื่อรู้เขาแล้วเนี่ยควรละหรือควรเจริญกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกควรละหรือควรเจริญควรละใช่ไหมเมื่อควรละควรทําให้เกิดขึ้นในใจหรือหรือไม่ให้เกิดส่วนเนกขมวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาววิตกนี่ควรละหรือควรเจริญควรเจริญอ้าวแต่เนี่ยบอมไปเรียนรู้เรื่องนี้มาแล้ว พอเรียนรู้เรื่องนี้มาปุ๊บอ่าเวลาจะมานอนหรือทากิจกรรมต่างๆเราใช้วิตกอะไรใช้การมาวิตกพยาบาทวิโต๊ะวิหิงสาวิตกหรือใช้เนคคำมาวิตกะวิหิงสาววิพยาบาทวิต๊หรือเอาวิหิงสาวิตกใช้วิตกอะไรในชีวิตจริงใช้วิต๊ไหนดีอะไรเป็นปัจจัยทําให้เราฟุ้งซ่านเราตรึกเรื่องอะไร ตึกเรื่องกลามใช่ไหมคิดเรื่องกลามใช่ไหมตึกเรื่องพยาบาทงุดหงิดใช่ไหมตึกเรื่องการเบียดเบียนใช่ไหมมาคิดใส่ใจในอกุศลมากขึ้นมากขึ้นและถามว่าใจละว้าวุ่นไหมเอาอะไรอย่างนีองนน้อย่างนี้เรียกว่าสำเนียกไหมอย่างนี้เรียกว่าสำเนียกหรือเปล่า <c oughs> เรียกว่าฝึกฝนไหม <c oughs> ไม่เรียกเลยอันเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยต่อไปไม่ได้เรื่องแล้วเวลาศึก ดนั้นศึกษาศึกษาสิกติสัมเนียกเนี่ยนะการเรียนการฝึกฝนปฏิบตัติการเล่าเรียนให้รู้ให้เข้าใจแล้วฝึกขัดปฏิบตัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นมีขึ้นในตนและทําให้มันได้ทําให้เป็นแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุดเอาอะไรแตเนี่ยนะเราจะศึกษาอะไรแตเนี่ยก็คือว่ารียรู้เรียนรู้ซะเลยฉะนั้นการเรียนรู้สําคัญและการทําความเข้าใจให้ชัด ว่าเราจะเอามาเป็นพวกเพื่อนหนุนบุญรื่นหนุนบาปที่จะมีให้เกิดขึ้นในตนอันนี้เขาเรียกว่าเรียนแล้วใช้ได้เรียนแล้วเอามาใช้เป็นเรียนแล้วจัดการได้จัดการเป็นบอมเริ่มมองเห็นหรือยังเนี่ยความสําคัญตรงเนี้สําสคัญเห็นแล้วเพราะฉะนั้นน่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องมาทําความเข้าใจว่าคําว่าการศึกษานี่ที่จริงไม่ได้คู่กับการปฏิบัติแต่ปัจจุบันนี่เรามาใช้ลงตัวแล้วก็เลยกลายเป็น จำเป็นต้องใช้แบบยอมยอมตามกันไปนี่แต่สำหรับผู้ได้รับทราบก็ควรจะทำความเข้าใจและใช้อย่างรู้ทันก็คือรู้ว่าใช้กันอย่างนั้นเองตามนิยมแต่ความหมายที่แท้จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ความหมายที่แท้จริงนั้นการไปบัติคู่กับปริยัติถ้าเป็นเพียงความรู้จากการเรียนการท่องจำอ่านตาราเป็นธรรมะที่ฟังมาอย่างนี้ก็เป็นขั้นปริยัติถ้าเป็นการเอามาลงมือฝึกหัด ทำให้มีให้เกิดขึ้นก็เป็นขั้นปฏิบัติทั้งปริยัตและปฏิบัตสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าการศึกษาชาติยางเดทั้งปริยัดและปฏิบัตในทีนี้ไอสองอย่างเนี้ยที่พูดเนียเมื่อมีปริยาตคู่กับปฏิบัติรวมเข้าเป็นการศึกษาแล้วการเล่าเรียนก็ต้องโยงต่อไปถึงการลงมือทำทีนี้เมื่อลงมือทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลจากการศึกษา ผลจากการศึกษาถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็คือที่เรียกเรียกว่าปฏิเวทเห็นไหมผลของการศึกษาถึงขั้นปฏิบัติปุ๊บผลที่เกิดขึ้นมาพวกเขาเรียกปฏิเวทปฏิเวทปฏิเวทสูงสุดเลยจริงๆเป็นชื่อของอะไรมักคลนี้ผ่านไปเลยเห็นไหมแต่เราจะย่อลงมางันก็ว่าอย่างั้นเราต้องแยกว่าการศึกษาสองขั้น1 การศึกษาขั้นปริยัติสการศึกษาขั้นปฏิบัติเมื่อผ่านการศึกษาขั้นปริยัติมาแล้วก็ต่อมาด้วยศึกษาขั้นปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะส่งผลเป็นปฏิเวทนี่เป็นลำดับที่3คือเป็นผลจากการปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นในทางพระศาสนาท่านจะมีคําใช้3อย่างปริยัตปฏิบัติปฏิเวทใช่ไหมถ้าใช้ สามอย่างนี้เห็นในชัดเลยถ้าใช้สองก็จะเหลือศึกษาและปฏิเวทปริยาตปฏิบัติปฏิเวทถ้าใช้สองอย่างก็เรียกว่าอะไรศึกษาและปฏิเวทในพระไตรปิฎกบางแห่งท่านใช้ศึกษาคู่กับปฏิบัตคู่กับปฏิเวทไปเลยเพราะศึกษานับรวมทั้งปริยัตและปฏิบัติไปแล้วจึงก้าวไปถึงปฏิเวทด้วย นั่นในการใช้คําว่าศึกษาเนี่ยปัจจุบันถ้าจะเข้าถึงความหมายที่แท้จริงก็จะต้องให้คําว่าการศึกษาคุมไปถึงการฝึกขัดการลงมือทําและการปฏิบัติเป็นต้นด้วยเป็นอันว่าตอนนี้ก็ทําความเข้าใจเรื่องคําว่าปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทไปนในตัวนะทีนี้ปริยัตจะเป็นขั้นของการเล่าเรียนรับฟังผู้อื่นมาโดยเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนซึ่งสืบต่อกันมาในพระไตรปิฎก และเราก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนําบอกกล่าวเอามาท่องมาบน่นมาสอบสวนมาทบทวนทั้งหมดนี้เรียกว่าปริยัติเมื่อเอาสิ่งที่ได้เราเรียนนั้นมาลงมือทําเป็นปฏิบัติการปฏิบัติก็คือตัวศีลใช่ไหมตัวสมาธิตัวปัญญาหรือถ้าขยายสําหรับครือข่าก็เรียกว่าอะไรนะทานศีลภาวนาใช่ไหมถ้าพระเราก็เป็นศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นคราวาสเดทั่ ว, ว, วไปเรียกอะไรทานศีลภาวนาไป เอาทีนี้ถามเนนบอมหน่อยไอตัวแท้ตัวแท้ของการปฏิบัติที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนี่ถามส ม, มเนรเนี่ยว่าเธอเคยอ่านมาแล้วเคยศึกษามาแล้ว อ, อ้าวนายตัวแท้ของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนส ม, มเนรบอมก็อก ทำกิจต่ออริยสัจ ส, สีได้ถูกแม่โคมไว้สมอกะว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> หถ้าตอบไม่ถูกก็ไปตอบยมไม่ได้เออในชุดแรกเนี่ยนะเออฟังแล้วทำไม่ได้มุมคิดขึ้นเยอะ ชุดแรกก่อนที่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติก็คือไอตัวศีลสมาธิปัญญานี่คำว่าปฏิบัติต้องมีความหมายครบครบทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่ปัจจุบันนี้มักจะใช้การปฏิบัติโดยเน้นไปที่สมาธิกันมากแท้จริงถ้าปฏิบัติเนี่ยถ้าจะครบก็ อ, อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงตัวศีลสมาธิปัญญาใช่ทุกวันพอออกไปปฏิบัติปุ๊บก็คือนั่นแหละไปขับเน้นี่สมาธิเนี่ย ศินสมาธิปัญญาจะเห็นว่าเรียกเรียกจากข้างนอกไปหาข้างในศีลอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราที่มองเห็นคือตัวของเราที่แสดงออกมาภายนอกเช่นแสดงออกมาทางกายทางวาจาการกระทำทางกายการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมใชม่การพูดก็เรียกว่าวจัจจกรรมแม้การประกอบอาชีพการงานทั้งหลายก็เรียกว่าก็เป็นกายกรรมและวจัจจกรรมเหมือนกันการประพฤต ต่างๆทั้งหมดเหล่าออกมาออกมาจากไหนออกมาจากใจนะไอ้ข้างในคือใจเป็นตัวผลักดันออกมาทางกายทางวาจานกายวาจาและพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยทั้งหมดนีนออกมาจากใจก็คือเจตนาแต่การกำหนดสีนั้นกำหนดที่พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาอยู่ที่ตัวเราที่ต่อกับต่อกับอะไรต่อกับภายนอกที่ต่อกับภายนอกใช่ไหม นี่เราเลียดจากข้างนอกเข้าไปเราดูจากข้างนอกเข้าไปเช่นคนนี้มีศีลเนี่ยดูพฤติกรรมททางกายทางวาจาใช่ไหมที่แสดงออกมาที่เป็นกายกรรมว้างเป็นวจีกรรมบ้างที่แสดงออกมาทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากเจตนาใช่ไหมงั้นการกําหนดศีลก็เลยไปกําหนดว่าเจตนาเนี่ยเจตนาที่จะไม่ร่วงละเมิดเจตนาที่จะไม่ทํากายทุจริตให้เกิดขึ้นเจตนาที่จะไม่ทําวจีทุจริตให้เกิดขึ้นเจตนาที่จะดําเนินชีวิต ไม่ดำเนินชีวิตที่เป็นทุจริตก็เป็นการดําเนินชีวิตที่ดีงามเป็นต้นเอยเจตนาเป็นอยู่เบื้องหลังด้านจิตใ จ, จเป็นตัวผลักดันกายกรรมวจีกรรมและอาชีพการประกอบอาชีพออกมาอันนี้เขาเรียกว่าด้านศีลใช่ไหมข้อต่อไปคือด้านสมาธินี่ลึกเข้าไปข้างในมองเห็นไหมสมาธินี่สามารถมองเห็นได้ไหมคนอื่นมองไม่เห็นเหรอด้านศีลแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางอาชีพเออเห็นมันยังมองเห็นกันได้อยู่ ถ้าด้านสมาธิลึกเข้าไปข้างในมองไม่เห็นไม่อยู่ที่ตัวข้างนอกไม่มองเห็นที่กายกับวาจาแต่อยู่ที่จิตใจเขาอยู่ที่จิตใจเลยว่าสภาพจิตใจนั้นมีคุณภาพแค่ไหนสมรรถภาพแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนนี่มองกันไม่เห็นเลยแต่อาจจะสังเกตได้หน่ายุ้ยี่หรือว่ายับยุ้ยี่หรือเปล่าล้วนหน้าตาผ่องแผ้วผ่องแผ้วอ่อนโยนยังไงเป็นต้นเออประการสุดท้ายก็คือด้านปัญญา นี่เป็นขั้นที่ต้องอาศัยจิตนั่นแหละทํางานเมื่อจิตนั้นทํางานให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายก็เกิดปัญญาขึ้นเป็นส่วนที่มาเสริมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของจิตใจแล้วจิตใจที่มีความรู้ด้วยปัญญาก็เอาความรู้นั้นมาใช้ปรับปรุงชีวิตทั้งด้านกายด้านวาจาอีกต่อหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติ <laughs> ใช่ไหมเป็นเรื่องการปฏิบัติ ลรามองอย่างนี้อย่างเออ้วมองไปจากด้านไหนเนี่ยด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในแล้วก็พัฒนาไปสู่ด้านที่กำกับทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการปฏิบัติออกมา น, นี่มองพระเวลาจะมองนักบวชก็จะมองจากศีลลึกไปหาสมาธิแล้วก็เจาะเข้าไปหาปัญญานี่เวลามองมนุษย์มองพระนี่นะทีนี้ชุดที่สองนี่เน้นสำหรับคารวะเครือัด ก็หัสเป็นชุดของทานศีลภาวนาใช่ไหมได้มากที่พระพุทธเจ้าสอนทานนากถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนคข ม, มานิสังสักขถ า, าแล้วก็จบลงได้อริยสัจสี่เห็นถ้า่ารวะโดยส่วนใหญ่ในพระพุทธเจ้าจะสอนที่ทานศีลแล้วก็ภาวนาอันนั้นก็เป็นเรื่องยาวอีกถ้าไปพูดเรื่องทา น, นากถาการภาวนาเรื่องทานศีลนักขาภาวนาเรื่องศีล สักขคาถาผลของทานและศีลกามาทีนวาาัคถาโทษของกามโทษของการที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งหลายเราจะปฏิบัติตัวต่อมันอย่างไรไม่เกิดโทษเนคคำมานี้สังสักคถ า, าเออจะพาจิตออกจากกามออกจากโทษเหล่านั้นอย่างไรเมื่อจิตอ่อนโยนเหมาะควรแกการงานแล้วก็พุทธเจ้าก็สรุปลงด้วยภาวนาเลยทั้งสมถาภาวนาและปัญญาภาวนาก็สรุปจบก็บรรลุษเป็นภาริยะบ้างหรือประกาศตนเองถึงสารนคมบางนี่ไหม นั้นคารวะเดชทั่วไปก็ไปอยู่ในชุดที่สองเรียกทานศีลภาวนาถ้าของพวกเราเนี่ยไม่ได้ขับเน้นทานเท่าไหร่ขับเน้นศีลสมาธิปัญญาเลยมองจากด้านนอกเข้าไปใช่ไหมเริ่มเริ่มเห็นเนี่ยเออปฏิบัติอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ถามใช่ไหมเริ่มเห็นนี่ยังอออยตอ น, <c oughs> นนีน้อยู่ตรงไหนเนี่ยปฏิบัติอยู่ตรงไหนอื <c oughs> ตัวแท้ของการปฏิบัติอยู่ตัวตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ อ, เ อ, อตัวไตศึกขาเนี่ยแหละ ต, ตัวเนื้อแท่งการปฏิบัติอะไอยู่ตรงนั้นเลย <S <S ทีนี้ชุดที่สองของกระหัสทานศีลภาวนาเนี่ยชุดทานศีลภาวนาเนี่ยเน้นส่วนภายนอกมากขึ้นทานเนี่ยเน้นภายนอกไว้เน้นภายนอกไว้ จับที่ข้างนอกตัวเลยเช่นวัตถุเนี่ยเน้นภายนอกเลยนะตัวทานที่สอนการวาสเนี่ยทานคือวัตถุข้างนอกเลยเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องดมโภมยาอาหารใช่ไหมสีเสียงกลิ่นรสปอดภัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะของกินของใช้ของบริโภคทั้งหลายนี่นอกตัวเลยนะเนี่ยไม่ใช่ในตัวแต่สียังในตัวอยู่ใช่ไหมตัวศีนี่พูดถึงเรื่องกายกรรมวัจีกรรมพูดถึเรื่องอาชีพอันนี้เป็นเป็น นอกนอกตัวก็จริงอยู่แต่เป็นอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ไม่ได้เจาะลึกแต่ว่าเบื้องหลังคือเจตนาอันนี้ถ้าพูดถึงทานเนี่ยโอ้โหข้างนอกเลยเช่นวิทยุเนี่ย iPad iPhone เนี้ยพัดลมนาฬิกาโต๊ะเก้าอี้จานช้อนเนี่ยนอกตัวเลยนะด้านทานเนี่ยแต่มันมันจะเป็นหรือไม่เป็นให้ถูกหรือไม่ถูกโอ้โหรายละเอียดว่ากันอีกที จะเป็นฉันทาทานังโทสาสทานังโมหาทานังพญาทานังกุรังสถานังสักสาทานังสมนัติทานังโอ้เงื่อนไขก็กิเลสเต็มเพียบหมือเลยในการสละในการให้นเอยะจนที่พัฒนาไปถึงจิตตะลังการาทานังโอให้ถูกให้ขัดเกลาให้ฝึกฝนให้พัฒนาให้ในการสละกิเลสปรับปรุงจิตปรับปรุงกายกายกรรมวิ จ, จิกรรมมนโนกรรมไปสู่ศีลสมาธิปัญญายัางไงเอออนว่ากันจริงทีใช่ไหม เออเนี่ยด้านของข้างนอกเลยถ้าทานเนี่ยชุดของการสอนกันแล้วว่าข้างนอกสอนให้ดูว่าเออมีวัตถุอะไรบ้างที่จะสามารถดำเนินกระแสชีวิตให้เป็นทานกุศลได้อย่างถูกต้องแท้จริงเออมีแล้วเนี่ยแบ่งยังไงตอนเองกินคนเดียวไม่มีความสุขมีการแบ่งเจอยรจาร์ในการที่จะให้แบ่งปันช่วยเหลือสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมยังไงเออทำยังไงที่จะเป็ น, นการพัฒนา ศักยภาพคุณภาพชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเห็นไหมการปฏิบัติธรรมขับเน้นที่ทา น, นไปไปมาไม่อยู่แค่ทานอย่างเดียวเนาะตัวศีลตัวจิตตัวปัญญาต้องพัฒนาไปด้วยควบคู่กันไหมควบคู่หรือไม่ควบคู่เวลาให้ทานเนี่ยต้องพัฒนาศีลโดยพัฒนาจิตโดยพัฒนาปัญญาได้ไหมพัฒนาหรือไม่พัฒนาถ้าไม่พัฒนาจะไปเรียกว่าการศึกษาไหมไม่เรียกว่าศึกษาปฏิบัติเนะะี่ย ถ้าได้แต่ทานอย่างเดียวแต่สภาพจิตใจย่อยอ่อนย่ย่ำแย่มากเป็นเวกราคตุสสะโมหะเป็นการมิฉาทิฏฐิจิตใจซศร้ามองขุนวัวเอออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการให้ทานที่ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมพอจะมองเห็นงนีเน้เป็นการให้ทานโอ้โหพูดนี้อาจจะหนักไว้นิดหนึง่งเป็นการให้ทานที่ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นการให้ทานที่ยังมีเงื่อนไขของกิเลสราคะเข้าไปเจือปนโทสะเจือปนโมหะเจือปนอยู่ ทำไมต้องให้เ อ, อทำไมต้องให้ทานเออลำเอียงเพราะรักให้ได้ไหมลําเอียงพเพราะโกรธก็ได้ลาเอียงเพราะหลงก็ได้ให้เพราะกลัวก็ได้ให้ตามประเพณีก็ได้ใช่ไหมให้หวังสุคติโลกสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมให้แบบมีเงื่อนไขของกิเลสอีกเยอะเลยให้เพราะเกียรติยศชื่อเสียงให้เพราะเห็นว่าเนี่ยเราหุงกินเองได้แต่ท่านวันนี้หุงกินเองไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมให้เพราะหวังผลของทานก็ได้ ใช่ไหมให้ตามประเพณีก็ได้ให้หวังเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้ให้แล้วมันสบายใจก็ได้แต่ที่จะให้เพื่อมุ่งขัดเก้าฝึกพัฒนาไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญามีน้อยหรือมีมากให้ที่เป็นการศึกษาจริงๆเป็นการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมีน้อยหรือมีมากความน้อยหรือมาก เอาเราเลยเอะเป็นประมาณดิปะเวลาเราจะให้แต่ละครั้งเนี่ยมีความเข้าใจชัดว่าอันนี้เรากําลังศึกษาปฏิบัติอยู่อันคําเดียวกันนะตอนนี้เรากําลังปฏิบัติทำอยู่เราจริงต้องให้เรื่องการฝึกทุกขั้นตอนเราคิดขนาดนั้นไหมทุกเรื่องเป็นเรื่องการฝึกเป็นการสำเนียกเป็นการฝึกหัดเป็นการขัดเกลวนะเป็นการฝึกฝนปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจและฝึกหัดปฏิบัติให้เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตนหรือทำให้ได้ทำให้เป็นตลอดถึงแก้ไขพัฒนาแก้ไขแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีออกไปพัฒนาคุณภาพของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเป็นตนให้เกิดที่มีขึ้น เ, ออเราคิดอย่างนี้ตลอดไหมเวลาเราดาเนินกิจกรรมของชีวิตคิดหรือไม่คิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ถ้าไม่คิดไม่ตั้งใจจะเป็นการปฏิบัติไหมต้องคิดและต้องตั้งใจถึงจะเรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นนะน่อย่างนี้ฉะนั้นมันนอกตัวก็คือด้านสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเผื่อแผ่กันพอมาถึงศีลมันอยู่ที่ตัวจากข้างนอกตัวแล้วก็มาอยู่ที่ในตัวเสร็จแล้วก็ถึงภาวนาภาวนาก็ในตัวลึกลงไปเลยนะมีสองส่วน ภาวนาในตัวมี2ส่วนในส่วนจิตใจที่เป็นสมาธิกับส่วนปัญญาแต่แก่สมาธิและปัญญาเนี่ยมาร่วมเข้ากันด้วยก็กลายเป็นภาวนาฉะนั้นคําว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงภาวนาที่เป็นการฝึกอบรมด้านจิตก็เป็นจิตภาวนาถ้าฝึกอบรมด้านปัญญาก็เรียกปัญญาภาวนาภาวนาก็มีสองในจิตภาวนาปัญญาภาพูดง่ายๆคือเป็นสมาธิและปัญญานี่แหละ เพราะฉะนั้นในชุดสองทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาในที่จริงก็อันเดียวกันแหละแต่ชุดหนึ่งเน้นภายนอกเน้นด้านหยาบจัดเป็นทานศีลภาวนาขยายออกเป็นด้านของทานกับศีลนะข้างในก็เป็นสมาธิกปัญญายุบเป็นภาวนาอย่างเดียวก็ได้ เช่นเป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาเออในนี้นก็พัฒนาไปเยอะเลยในรายละเอียดเนี่ยนะนะในชุดศีลสมาธิปัญญาเอาด้านในก็คือด้านภาวนาไปแยกในส่วนของจิตใจสมาธิกับปัญญาแต่ด้านนอกก็คือทานกับศีลก็มารวมเปน็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลเป็นหลักการก็คืออยู่ร่วมกันด้วยดีกับผู้อื่นในสังคมส่วนทานก็เป็นองค์ประกอบในการที่อยู่ร่วมกันได้ดี ในสังคมแล้วก็มีการช่วยเหลือเจียจานแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังคําว่าทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญาก็จะทราบว่าที่จริงเป็นระบบเดียวกันไหมเป็นระดับระบบเดียวกันมีจุดเน้นที่ต่างกันสําหรับครือขัดเน้นทานด้านนอกคือทานศีลภาวนาแต่สําหรับพระสงฆ์ก็เน้นด้านในเลยจํากัดเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ชุดของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็คือไตรสิกขา ไตก็แปลว่า3ามนี่นะสิกขา3นี่แหละการศึกษารวมทั้งไตสิกขาก็แปลว่าการศึกษา3อย่างถ้าชุดของทานศีลภาวนาเรียกชื่อตรงไปนิดหนึ่งเรียกว่าปุญญสิกขาปุญญสิกขาก็คือการฝึกฝนในเรื่องความดีหรือการฝึกขัดทําความดีปุญญะก็ความดีสิกขาก็การฝึกอบรมนี่นะก็คือการฝึกฝนปฏิบัติรวมในเรื่องของความดีทําให้ คนเนี่ยเจริญงอกงามขึ้นในความดีต่างๆในด้านของทานศีลภาวนาทั้งสองชุดเนี่ยก็ต่างกันดังที่ได้กล่าวเนี่ยทีนี้เมื่อสักครู่บอกว่าการศึกษาอยู่ที่ไหนใช่ไหมหรือการปฏิบัติอยู่ที่ไหนการปฏิบัติตัวแท้ของการปฏิบัติอยู่ที่ไหนตอบได้ยัง ใจไตรสิกขาใช่ไหมแล้วการศึกษาอยู่ที่ไหนการศึกษากับปฏิบัติอันเดียวกันหมน้ยอันเดียวกันสิเนเริ่มแยกแล้วเริ่มแยกแล้ว <like. S 1> <ๆ>การศึกษาก็อยู่ที่ตัวการปฏิบัติก็คืออยู่ที่ฐานศีลภาวนาหรืออยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของการกระทำทั้งนั้นเลยฉะนั้นการศึกษาต้องเน้นที่การปฏิบัติไม่ใช่ความหมายเพียงแค่เรียนตามตารา หรือเล่าเรียนฟังมานี่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดออรู้เท่ารู้เข้าใจก็สามารถใช้ศัพท์ตามที่นิยมกันได้แล้วก็สามารถที่จะามาเข้าใจเมื่อพูดถึงเรื่องศึกษาและปฏิบัติก็ต้องรู้ที่จริงศึกษาคมไปถึงการปฏิบัติทั้งหมดจ้าต่อไปยตนี้ทีนี้การปฏิบัติเนี่ยโดยไม่ต้องมีปริยติเนี่ยได้ไหมได้ไหม ไปปฏิบัติเลยโดยไม่ต้องมีปริยัตยิเนี่ยเข้าป่าไปอยู่กับอาจารย์หรือไปอยู่คนเดียวไปถึงก็ลงมือทำสมาธิไม่ต้องมีปริยัตยิได้ไหมหรือบางทีก็ว่าปริยัตยอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเมื่อไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีผลในปริเวสเนี่ย ก็เรนี่อย่างนี้นะว่าแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคืออะไรก็คือประสบการณ์นะถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นชัดว่าเวาลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนีสอนธรรมะก็คือประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเองในพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกผล คือพระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ได้รับผลพระองค์ก็มีประสบการณ์ในการไปรพืติปฏิบัติและได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นมาด้วยตนเองพระองค์ก็นําประสบการณ์นั่นแหละมาจัดเรียบเรียงขึ้นแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติที่แท้จริ ง, รงเกิดจากการปฏิบัติและปฏิเวทะก็คือเข้าถึงปฏิเวทะคือผลการปฏิบัติ ถ้าหากการปฏิบัติหรือปฏิเวทถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะได้ปริยัติที่ผิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นของที่แน่นอนสรุปคือถ้าปริยัติผิดพอเราได้ปริถ้าปริยัติผิดขึ้นมาเนี่ยผลการปฏิบัติก็ผิดพลาดนั้นการที่เรายอมรับปริยัตินี้ก็เพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราเชื่อมั่นในพระองค์เราไว้ใจพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติถูกต้องได้รับผลจริง เพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่พระองค์นํามาเล่าซึ่งมาเป็นปริยัตสําหรับเราเนี่ยเราจึงเชื่อถือนี้เป็นข้อที่1นคือปริยัติไม่ได้มาจากไหนก็มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเป็นเช่นนี้ปริยัติที่จะมาเป็นเครื่องช่วยให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องดีงามเป็นต้นอันเนี้ยเพราะเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกับคนที่เดินทางมาแล้วเขาเดินทางไปจนถึงบรรลุถึงจุดหมายได้แล้ว เราก็เดินทางมาบ้างเราไม่รู้เหนือรู้ใต้จะเจออะไรที่ไหนมีสิ่งใดเป็นสิ่งที่สังเกตบ้างไม่รู้ทางเลยเราจะเป็นอย่างไรงนี่ไปต้นนั้นปฏิบัติที่บอกแล้วว่าคือการเดินทางเนี่ยเราเดินทางเองไม่ถูกเราไม่แน่ใจตนเองเราก็เลยขอความรู้จากท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมาก่อนเราจึงมาเรียนปริยัตินี่คือเหตุผลนะนี่คือเหตุผล เหตุผลที่เราเรียนปริยัติก็เพื่อให้ปริยัตนั่นแหละมาช่วยคือเอามาเป็นประสบการณ์ของท่านที่เคยผ่านมาแล้วามาช่วยให้เราเดินได้สะดวกขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่อาศัยปริยัติจะเป็นอย่างไรสุ่มไหมสุ่มเสี่ยงไหมสุ่มสีสุม 4, ส่มห้าเริ่มต้นลองผิดลองถูกทำได้สามารถทําได้ไหมเอาเลยไม่เอาหลักการวิธีายารแล้วไปทดลองเองเลยคิดเองเลยกล้าไหม เราจะได้เป็นศาสตร์สดอีกวงหนึ่งก้ามเอก้าอาา้าวพระเจ้าผมผ้าก้าสาวผ้าอย่างนี้เราไม่หรอกเราไปเอาชุดถาชุดอีกอย่างหนึ่งจะใส่ชุดหรือสีหรือชุดอะไรดีแล้วก็มีข้อปฏิบัติแปลกๆออกมามันก็ได้เหมือนกันใช่ไว้แต่ว่าจริงๆก็คือว่าแต่ท่านไม่เคยเดินทางนี้ก็รับรองไม่ได้นะว่าท่านจะอาจจะไปตกหลุมตกบ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ท่านในการปฏิบัติตามหลักการที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายนั้นนะ่ะระหว่างทางมีทางรกทางเลี้ยวทางหลุมทางบ่อทางแยกมากมายถ้าเราไม่รู้ไม่มีความรู้เราก็อาจจะผิดทางประสบอันตรายเบองตเหล่านี้นปริทะปริยัตเนี่ยนะงั้นเราก็เลยมาเรียนปริยัตทีเนี้ยถ้าเราไม่เอาปริยัตเลยเราก็เสี่ยงต่อการที่จะปฏิบัติเดินแบบผิดพลาดปริยัตนี้ท่านเปรียบเหมือนเข็มทิศเข็มทิศเนี่ยนะ เปรียบเหมือนกับไ ฟ, ไฟสิสองทางก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็จะมีเวลาเดินทางเงินก็จะมีเครื่องนำทางใช่ไหมเออไอตัว GPS ขนาดมีตัวนี้นำทางยังผิดได้เยัื่องลงเลยใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งปริญญาต ก, ก็เหมือนกับแผนที่ความรู้ในภูมิศาสตร์หรือหนังสือหรือการท่องเที่ยวเนี่ย ไอความรู้ทางภูมิศาสตร์หรือหนังสือหรือการนําท่องเที่ยวช่วยเรารู้เดินทางไปที่ไหนที่ไหนแล้วในระหว่างที่ทางก็ถูกต้องก็จะพบปะอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างมีอะไรเป็นข้อสังเกตอย่างนี้เป็นต้นนี่แผนที่เป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ชัดก็คือปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เรียนปริญาตโดยตรงจากพระเจ้าเราเรียนผ่านครูอาจารย์ใช่ไหมที่เราไปเรียนกันผ่านครูอาจารย์ นี่บางทีอาจารย์ก็ไม่ให้เราเรียนคำพี์ทั้งหมดหรอกอาจารย์สอนเรานิดๆหน่อยๆบางทีเราก็ไปหาอาจารย์ปุ๊บท่านก็บอกเลยว่าให้ทําอย่างนั้นให้กําหนดลมหายใจเปไปหาอาจารย์ปุ๊บอาจารย์บอกเอ้าให้ดูลมหายใจอันนี้คืออะไรอันนั้นคือปริยัติแต่พอพาบอาจารย์แล้วท่านก็บอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นี่คือปริยัติหลายท่านไม่เข้าใจก็นึกว่าตัวเองไม่ต้องผ่านปริยัติอันนี้เขาเรียกปริยัติทันทีแล้ แต่เป็นการบอกแบบไหนย่อๆยๆยังไงก็ว่ากันไปหน้าที่ของอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยก็คือการใช้ความสามารถคัดเลือกปริยัติให้เหมาะกับตัวผู้ปฏิบัติในหน้าที่ของคนที่เป็นอาจารย์แทนที่เราจะต้องไปค้นปริยัตเรียนปริยัตมากมายเรียนพระไตรปิฎก45หเล<ม>่ม2อ0 0มหน้าเนี่ยกว่าหน้าด้วยนีะ อาจารย์ท่านมีความชำนาญท่านก็ได้เคยใช้ปริยัตในการปฏิบัติแล้วมีประสบการณ์ของตนเองเลยท่านก็รู้ว่าอันไหนจําเป็นจะต้องใช้เมื่อไหรท่านก็เลยคัดปริยัตมาให้เราเออเนี่ยเรียนผ่านอาจารย์ดีเลยตอนนี้เธอจะต้องเริ่มแรกอะเอาตรงนี้เท่านี้พอนะแล้วก็ท่านก็ให้ปริยัตแค่นี้ก็คือท่านคัดเลือกปริยัตให้กับเราคัดเวลาให้กับเราประหยัดเวลาให้กับเราเสร็จแล้วพอเราก้าวไปอีกสักนิดหนึ่งอาจารย์ก็มาตรวจสอบ เสร็จแล้วพอเราเกล้าวไปได้อีกนิดหนึ่งอาจารย์ก็มาตรวจสอบเราปฏิบัติไปได้แค่ไหนแล้วท่านก็ให้ปริยัตตต่อก็คือคาแนะนําที่กล่าวต่อไปอย่างนี้อย่างเนี้ยในลักษณะอย่างนี้ก็คือประสรานการประสบกาั์นี่แหละที่ได้มาตอนนี้ผิดพลาดให้แก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือปริยัต ท, ยทั้งหมดในพุทธศาสนาท่านใช้คําว่าปริยัตในความหมายเฉพาะจํากัดความว่าปริยัตกรหมายถึงพระโพธิ์หรือคําสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงเล่าเรียน ทีนี้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่เชื่อถือและปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าแต่วันนี้พุทธเจ้าปฏิญิาผ่านแล้วใช่ไหมปฏิญญาผานแล้วไม่มีพระชนชีพอยู่เราต้องรู้จักพุทธเจ้าได้จากคําสอนของพระองค์ที่เรียกริทตินี้แหละนี่ปริญญาจึงเป็นสื่อเชื่อมโยงเราให้เข้าไปหาพุทธเจ้าทําให้เรารู้จักพุทธเจ้ารู้ว่าพุทธเจ้าสอนเราว่าอย่างไงทั้งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าอนี่พุทธเจ้าสอนเราพุทธเจ้าสอนเรา เวลาเราเรียนธรรมะหรือเรียนศึกษาคําสอนเนี่ยทำให้เรารู้จักตัวตนพระพุทธเจ้ามากขึ้นเช่นพอเราเรียนรู้เรื่องสติโอ้มันมีธรรมชาติลักษณะอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้ศรัทธาเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเรียนเรื่องสติปัฏฐานสี่สมุปปัฏานสี่อธิบาทสีอินทรีห้า 5, พละห้พุทชงเจ็อริยมรรยงแปดการที่เราไปเรียนรู้ไปศึกษาไปวิจัยไปแยกแยะเนี่ยทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้น ยิ่งเรียนรู้ธรรมะมากเท่าไร่ก็รู้จักตัวตนพพุทธเจ้าได้มากเท่านั้นถ้าเรียนรู้พระธรรมวินัยได้ทั้งหมดก็รู้จักพระุทธเจ้าทั้งหมดใช่เราฮะเราเรามีความเข้าใจแค่อย่างนั้นไหมว่าที่เราต้องการเรียนธรรมะเนี่ยเพราะต้องการรู้จักพระพุทธเจ้าและต้องการเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนนั้นก็คือเราต้องการอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าใช่ ส อ, อย่างนั่นหนึง่ง เ, <improved> เรียนรู้ปริยัติเนี่ยเราต้องการอยากจะรู้จักพระพุทธเจ้านีว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ออกมาที่เป็นศีลอย่างไงเป็นสมาธิอย่างไงเป็นปัญญาอย่างไรเป็นทานศีนภาวนาเป็นต้นอย่างไงทานบารม product, así, ีศีนบารมีเนคขมารัญญาเวริยะขันติสัจจอาทิฐานเมตตาอเวขาเนี่ยนี่เราต้องการรู้จักพระพุทธเจ้าใช่ไหมต้องการรู้จักทีนี้เมื่อต้องการรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วต่อไปก็ เราฝึกนีฝึกผลพัฒนาเนี่ ย, เยสเนียกทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําศีลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไปบูรทําปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเจริญเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บนี่เราจะได้เห็นใครนั่นแหละพะพุทธเจ้าอยู่ในฐานะของศีลสมาธิปัญญาตรงนี้แหละนี่อยู่ในฐานะธรรมะ เมื่อศีลสมาธิปัญญามากำกับกระแสชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามนั้นแล้วฝึกฝนขัดเกลาพัฒนากระแสชีวิตของเราอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้ากำลังฝึกขัดขัดเกลาเราอยู่พระพุทธเจ้าฝึกขัดขัดเกลาเราเขาเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีศีลไม่มีสมฝึกขัดจากไม่มีสมาธิให้มีสมาธิฝึกขัดจากไม่มีปัญญาให้มีปัญญามีพระพุทธเจ้ากำลังฝึกขัดขัดเกลาทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราใช่ไหมเราก็เมื่อศีลสมาธิปัญญาเด่นในกระแสชีวิตของเราทําให้เราเห็นใคร เห็นศีลมากขึ้นเห็นสมาธิเห็นปัญญาชัดมากขึ้นก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นชาพุ๊บก็ให้มีความเข้าใจเงี้ยอาจารย์ท่านมีความชํานาญก็เคยใช้ปริยัติในการปฏิบัติมีประสบการณ์ท่านรู้ว่าอันไหนจําเป็นต้องใช้เมื่ อ, อไรท่านก็คัดไม่ให้เราเนี่ยตอนนี้แหละเธอก็จะเริ่มแรกเอาตรงนี้เท่า น, นี้แล้วก็บางทีก็บอกเอา้าคุณเอาปริยัติไปแค่นี้ก่อน คัดป ร, รประหยัดให้เราประหยัดเวลาเสร็จแล้วพอเราเก้าวไปได้อีกนิดก็เอาแค่ไหนตรวจสอบไปเื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประหยัดในพระพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าประหยัดในความหมายเฉพาะจำกัดความหมายไว้ทีเดียวคือประหยัดหมายถึงพุทธพจน์หรือคำสอนพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะพึงเล่าเรียนเราเป็นชาวพจน์ก็คือ เป็นคนที่เชื่อถือและปฏิบัติตามคําสอนอพระพุทธเจ้าแต่เวล า, น เ, า, นานนเนี้ยพระเจ้าปฏิินพานไม่มีพระชนเนี่ยเราต้องรู้จากพระพุทธเจ้าจากคําสอนดังที่ได้กล่าเนี่ยปริยัติก็เลยเป็นตัวสื่อทําให้เราเข้าถึงพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันให้ตรงทีเดียวพุทธกล่าว่าปฏิบัติโดยไม่มีปริยตัตก็เท่ากับพูดว่าต้นสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องรู้เลยพระพุทธเจ้าสอนอะไร ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกับคนพูดนะ่ะไออย่างเงี้ยอย่างเงี้เสียหายเลยต้นสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีพระเจ้าเลยไปไปมาหนักเลยเงี้ยอันนี้เสียเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคนอื่นก็ย่อมจะกล่าวกับผู้นั้นได้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าหรือเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแต่เขาปฏิบัติอะไรอะไรที่เป็นเรื่องความคิดความเห็นของตัวเองหรือของอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เป็นต้นซึ่งก็จะเก่งมากเช่นอย่าง โยคีฤศีชีพายเนี่ยตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเนี่ยที่ได้ฌานสมาบัติหรือแม้กระทั่งจบโลกียะอภิญญาสูงสุดแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นตน้นนั้นสรุปก็ว่าปัญหาเกี่ยวกับปริยัติก็ไม่ใช่ว่าปริยัติและต้องมีหรือไม่แต่ควรถามว่าปริยัติจะเอาแค่ไหนและจะรับเอามาอย่างไรใช่ไหมล่ะสรุปแล้วปริยัติจะเอาแค่ไหน เอาแค่ไหนดิอ้าวเนนปริยัติเนี่ยเราควรจะเอาแค่ไหนสตรุปแล้าปริยัติเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะคนที่ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเนี่ยไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะเดินตามคำสอนพระเจ้าได้เว้นแต่ไปตั้งหลักการในความคิดใหม่นั่นก็ว่ากันไป แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ปริยัติไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนเราโดยตรงใช่ไหมเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงเรามาพบอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็มาช่วยคัดเลือกปริยัติให้เราอีกชั้นหนึ่งก็จะทําให้ชัดเจนแล้วก็ะเที่ยวมากขึ้นนั่นก็คือว่าทุ่นเวลาเนี่ยข้อสําคัญก็คือว่าปริยัตินั้นเป็นปริยัติของพระพุทธเจ้าหรือเป็นปริยัติของอาจารย์เองสิ่งที่เราต้องการได้แท้ๆคือ เป็นปริยัติของพระเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์ช่วยเลือกคัดมาให้ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์และมีความชํานาญซึ่งเป็นปริยัติของพระเจ้าที่พาอาจารย์ท่านได้เอาไปปฏิบัติเห็นผลจากการปฏิบัติ ด, ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงมีประสบการณ์มากในทางพุทธศาสตร์นาท่านจึงเรียกคนที่เริ่มปฏิบัติควรหาอาจารย์ถึงกับเรียกว่ากัลยาณมิตรก็เพราะเหตุ น, นี้แหละก็คือหาบุคคลที่มีประสบการณ์อาจารย์ก็ช่วยเลือกเป็นปริยัติให้แก่เราให้เหมาะตามความจําเป็นที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติ สำหรับจุดนี้หรือขั้นตอนนั้นๆเช่นตอนนี้จะตั้งต้นจะใช้ปริยัตอะไรควรบอกให้รู้แล้วจะปฏิบัติอย่างไรหรือมีอะไรที่ควรรู้บ้างซึ่งจําเป็นสําหรับบุคคล น, นี้เพราะอะไรเพราะปริยัตเนี่ยเหมาะสําหรับคนโน้นคนนี้ไม่เท่ากันนะเช่นอย่างพระเจ้าเนี่ยนะเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นปัญหาอยู่อย่างก็คือว่าเป็นปัญหาตรงไหนรู้ไหม เวลาครูอาจารย์ไปเอามาเนี่ยเอาคำสอนมาแล้วก็มาคัดสรรันเหมือนการตัดเสื้อมันจะไปตัดเสื้อแบบอย่างเดียวเลยเนีเอาคาสอนพระเจ้ามาเอาแบบนี้มาเท่านั้นแล้วก็มาให้เราใช้ให้เราปฏิบัติก็ อ, อ, อย่างเงี้ยมันไปไปม า, ม, ามันกลายเป็นเป็นปัญหาขึ้นมา คือจะให้มันทำเหมือนกันเลยเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีอินเทียะปรโรปริยติยานที่สามารถรู้อินทรีย์ของสัตว์รู้กระแสว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีอินทรีย์อ่อนแก่ยังไงและเคยบําเพ็ญบา ร, รมีอะไรต่างๆเหล่านี้มาพระเจ้าก็จะให้ป ร, ริยัติได้ถูกต้องเหมาะสมแต่มาไดยุคยุคคบาาจารย์เนี่ยมันเป็นปัญหากันขึ้นมาก็คือเราเอาอย่างนั้นมาแล้วก็มาบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหมด มันก็เลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นระบบเป็นความคิดเห็นของครูบาอาจารย์นั่นๆเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยได้ได้รับผลเท่าที่ควรตรงเนี้ยแต่ถ้าไปเจอครูอาจารย์ที่ท่านชลานฉลาดที่เหมาะสมว่าจะให้ ฝึกยังไงยังไงแต่ละคนแต่ละคนแ่ะคนท่านมีประสบะการณ์ด้วยก็ฉลาดให้คําสอนพระเจ้าเอาคําสอนพระเจ้ามาเป็นข้อฝึกให้กับเราได้ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้ววันนี้ก็พูดมาพอสมควรมีอะไรจะถามไหมยังเหลืออีกเยอะมันยังไม่จบอ่ะอยังไม่จบยังวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้ไม่จบปริยตัตแค่ไหนอันนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลเนี่ย มีอะไรถามมั้ยนีไม่มีวันนี้ก็เลยพูดกันเรื่อยๆพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมงั้นตรงนี้ก็สรุปตรงนี้ก่อนก็คือว่าสิ่งที่เราควรจนะทำณที่ไหนตรงเนี้ยนะครับเน้นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องสามารถดำเนินให้มันมีเกิดได้จริงๆสามารถเอาธรรมะมาเป็นหลักปฏิบัติได้จริง ก็คือการศึกษาอันเดียวกันกันกบการปฏิบัติแม้การศึกษาปริยัติในขณะที่ฟังนีในขณะที่เราฟังปริยัติฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าเราฟังด้วยศรัทธาไอตัวศรัทธาเป็นหลักปฏิบัติฟังด้วยความเพียรฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิแล้วก็มีปัญญาไตรตรองด้วยชันทาวิริยะจิตตปัญญาเป็นต้นอันนี้แปลว่าธรรมะกําลังเกิดขึ้นกำลังฝึกหัด ทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเป็นการที่ว่าถ้าเราฝึกฝนคุณธรรมศีลหรือศีลสมาธิปัญญาเกิดให้มีขึ้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นให้เราอย่าไปจํากัดเพียงแค่ว่าเวลานั้นปฏิบัติเวลานี้ปฏิบัติให้ดําเนินชีวิตกิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินไปทุกๆขณะให้เป็นการฝึกได้จริงๆเลยฝึกให้ศีลเกิดขึ้นยังไงฝึกให้สมาธิเกิดขึ้นยังไงฝึกให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นยังไง ถ้าทำได้อย่างนี้อย่างติดต่อต่อเนื่องแล้วก็มานัดการตลอดเวลาเราจะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างตลอดเวลาจะไม่ให้กิเลสเข้ามาเกิด ก, กั้วในกระแสชีวิตถ้าทำได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมเจริญนุดหน้าไหมเออเนี่ยอยากให้เราเป็นไปลักษณะ อ, อะไรสมควรกั่เวลาเลยขอโมที่ไน